ถ้าว่าใครต้องการหนังสือและต้องการเอ3นะก็มารับได้หลวงพ่อจะแจก MP3 แล้วก็หนังสือนะหนังสือมีหลายแนวมีหลายเล่มแต่จะไม่แจกให้ทุกเล่มนะแจกคนละเล่มไว้ก่อนถ้าฟังดูแล้วปปไปศึกษาเแล้ ว, ลวติดใจเียค่อยมาเอาเล่มอื่นนะถ้าเอาขนไปให้เดี๋ยวไม่รู้จะทำยังไงได้มากเกินไป ผลที่สุดก็เลยเอาไปเป็นหมอนหนุหนหัวเล่นเผลอเอาไ ป, ไปสั่งกิโลขายต่างหากดีเป็นดีเซเกอร์ไปน่าเสียดายนะวันนั้นหลวงพ่อจะให้คนและเล่มแล้วก็ MP ็มพีสแต่ MP3 ก็เถอะนะท้าวว่าผู้ใดไม่มีเครื่องฟังไม่มีเครื่องฟังอ็มพีสามแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในรถมีนะแต่อยู่ในบ้านจะมีหรือเปล่าถ้ามใครไม่มีก็บอกเลยไม่เอา MP3 เอาแต่นังซื้อก็ บ, บอกนะ พอเราจะไม่เราจะแจกให้ถูกจุดไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วไม่รู้จะทำยังไงผลในสุดเราเอาไปแขวนไว้ไล่มแมลงวันมดท่ายเหมือนกันนะเพราะนั้นลูกหลานผู้ใดมีเครื่องฟังเหวือจะค่อยเอาไปหลวงพ่อแจกที่ว่าหลวงพ่อเองมั่นใจว่าเกิดประโยชน์ต่อผู้ได้ยินได้ฟังนะพวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังการศึกษา ถ้าพวกเราไม่ศึกษาจะรู้ได้ยังไงในเรื่องนั้นๆจนนะ ว, วิธีทําอาหารก็เถอะเรากินอาหารตั้งแต่วันเกิดมาแต่ว่าวิธีการทําอาหารเราก็ยังได้เรียนแต่ละขแขนงเขาทํำยังไงเขาทําอาหารอันนี้วิชาธรรมะไม่ใช่วิชาห่วยนะเป็นวิชาลื้อภพรือชาตินะเป็นวิชาตัดกิเลสจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเราจะเรียนแบบง่ายๆไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นลงทุน อยู่ในป่าศึกษาอยู่ในป่าออกจากเวียงวังไปอยู่ในป่าถึงหกปีไปค้นคว้าศึกษาหาวิชานี่นะจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้วิชาความรู้ได้ตัดสู้พระ อ, อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไปบ่มเพนจึง6ปีลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดจากนั้นจนนึงได้ตัดสู้ในวันเดือน6เเพนจากนั้นได้นำพระธรรมคาสอนออกมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟัง จากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคนี้สมัยนี้ก็คือสมัยนี่หลวงปู่มั่นเป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานแต่ท่านหลวงปู่มั่นท่านก็ศึกษากับหลวงปู่เสาอีกตัวหนึ่งหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเน่ยเป็นเคียงคู่กันทั้งสองพระองค์ในยุคสมัยนี้จากนั้นท่านก็ได้บาเพ็ญจนได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมจากนั้นท่านพระองค์สองพระองค์จึงได้นำพระธรรมคําสอนออกมา ประกาศเผยแผ่ให้กับครูบาอาจารย์ของพวกเราอย่างลุงตาหมาบัวหลวงปู่คขาหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ต่างๆที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นจากนั้นครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็เผยแพ่ออกมาอีกอย่างหลวงพ่อเนี่ยก็ได้รู้ศึกษากับลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเหมือนกันคือหลวงปู่ล่าวัดปู่โจก้อลูกหลานคงจะได้ไปเห็นวัดหลวงปู่ล่านะอยู่ทั้ง เป็นสมณีน้อยกอนหลวงปู่ล่าตั้งปีสองพันห้นะลูกหลานก็คงยังไม่เกิดก็มีนะหลวงพ่อบวชนะบวชเป็นเด่น้อยอาอยุเพียง11อย่างสิบสองปีเป็นสมณเหยอยู่8ปีอยู่ที่ผู่จอกอนะลูกหลานนะาจากนั้นก็เป็นพระที่ผู่จอกอร์พันษาเป็น9ปอีอยู่ที่ผู่จอกอจากนั้นก็มาอยู่กับองค์หลวงตาอยู่หลวงปู่จามหลวงปู่แหวนนะอันนี้คือการศึกษา กับครูบาอาจารย์ของหลวงพอ่อแต่ถึงยังไงก็ตามทุกทกพระองค์ถึงจะไม่ได้อยู่กับอยู่จำพรรษาก็เถิดอย่างหลวงปู่ฟันก็เคยไปศึกษาหน้าแรงหลวงปู่ขาวก็ไปศึกษาหน้าแรงหลวงพอ่อหลวงปู่บัวอย่างนี้ก็ไปศึกษาหน้าแรงมีหลายหลายองค์ที่หลวงพ่อได้ไปศึกษาแต่ล้วนแล้วแต่ครูบาอาจารย์ที่มาศึกษาในแถวสายหลวงปู่มั่นท่านจะแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวแบบเดียวกันว่าให้ภาวนา พุทธโทเป็นหลักพบพระกรรมฐานพระอยู่ป่าอย่างพวกเราเนี่ยให้ภาวนาพุทธโทเป็นหลักรวยมากคือสายพุทโธนคือสายหลวงปู่หลวงปูงป่เสาหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวสิทธิอนุสิทธิ์จากนั้นครูบาอาจารย์แต่ละองค์เมื่อท่านได้ประพุทธปฏิบัติได้ฟังทำคําสอนอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านไป เกือบจังหวัดทุกหัวละแห่งท่านอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะมาทางมุกราหารพวกลูกหลานเคยคิดไหมเนี่ยหลวงปู่มั่นมาอยู่ที่นี่หลังเขาภูผานที่หลังหลวงพ่อไนี่ยพวกลูกลูกหลานออกไปนี่จะเห็นภูเขาลูกหนึ่งขวางใช่ไหมเนี่แหละภูเขาลูกนี่แหละหลวงปู่มั่นมาอยู่ที่นี่แหละที่น้ําตกยุงทองนี่นะ เ, เมื่อเกือบร้อยปีให้หลังหลวงปู่มั่นมาอยู่ไม่อยู่องค์เดียวอีกต่างหากนะ เราคิดดูซิว่าสมัยนั้นเป็นยังไงบ้านสมัยนั้นหลวงพ่อกคสืสบสอบดูว่าเป็นเพียงคนไม่กี่ครอบครัวนะเรียกว่าบ้านานาหมีบ้านานายุงะเออบ้านานาหมีนายุงมาอยู่ตรงนี้นะนี่หลว ง, งปู่มั่นมาอยู่แล้วก็ บ, บินทะบาทฉันนะนี่แหละท่านทำไมท่านไม่รู้จักความสุขความสบายเหรอนี่ทำไมท่านจะไม่มีครอบครัวท่านอยู่ในบ้านในเรือน ทำมาหาเลี้ยงชีพทำมาค้าขายเหมือนชาวบ้านเขาลุงปู่ไม่รู้จักเหรอเนี่แหละลุงปู่มั่นเมื่อท่านได้ศึกษาได้รับธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน่ยท่านก็ไปศึกษาแต่จริงไหมทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ภาวนาจิตใจสงบแล้วหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยน่าเบื่อหน่ายเหลือเกิน เกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บตายในที่สุดไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นไปได้แต่เมื่ อ, อไรศึกษาธรรมะแล้วถ้าเราปฏิบัติแล้วในเมื่อตายไปแล้วจะไม่มาเกิดอีกเจงไหมเนี่แหละหลวงปู่มัน่มนธรรมะค้นคว้าศึกษาอยู่ในป่าดงพงไพอยู่ในถ้ำอยู่ในที่น่ากลัวอยู่ที่บ้านน้องนาบ้านนาหมีนายุงสมัยนั้ น, นที่น้ําตกยุงทอง หลวงพ่อยังสมัยเป็นพระหนุ่มเดี๋ยวนี้ขึ้นไม่ไหวแล้วแต่สมัยเป็นพระหนุ่มออกมาทุรงเอได้ยินว่าหลวงปู่มั่นไปสายไหนอยู่ที่ไหนขึ้นไปดูซิวะท่านอยู่อย่างไรพระญาติโยมเข้าไปดูโอ้ที่ไหนได้เป็นถ้าอยู่ในหน้าผานะคนะนัชธาญาติโยมนะเป็นหน้าผาแล้วก็ลงทางลงไปเนะี่ยเป็นทางแคบๆประมาณสักศอกหนึ่งนี่แหละแล้วลงไปมันจะหักเฮ่หัก45้าองศาอีต่างหากเข้าไปในถ้ำ หลวงพ่อไปโอ้ท่านอยู่อย่างนี้ขึ้นมาความปลอดภัยเสือจะลงไปเนี่ยไม่มีทางนีพอลงไปเท่านั้นแหละมันจะลงไปที่ไหนมันไปสู้กับคมันก็ตกหน้าผาเลยพอดีนี่ครูบาอาจารย์ยกนั้นสมัยนั้นหลวงปู่มั่นโอ้ท่านไป เ, เลือกอยู่ได้ยังไงหลวงพ่อยังไปแปลกใจเหมือนกันนะนี่แหละครูบาอาจารย์ท่านไปอยู่ในป่าหลวงพงไพเพื่อศึกษาเรื่องอะไร เ, เรื่องศึกษาเรื่องธรรมะ ที่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าท่านแต่จัตุรุกอนุตพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพ้นนะ่อันดับแรกตอนหัวค่ำนะปุเพนิวาสานุจติญาณรละลึกชาติคนหลังได้ท่านทำยังไงพอถึงเที่ยงคืนจุตูปะปาตยานดูคนอื่นดูสรรพสัตว์ทั้งหลายการเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสาร ทำไมไม่เหมือนกันการเกิดมาของสรรพสัตย์ทั้งหลายจุตูปปาตญาณพอจวนสว่างอาสาวกายาญาณญาณอย่างรู้ว่าพระองค์ได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตัดรู้อะไรนี่แหละจากนั้นเราก็ได้ศึกษาในองค์หลวงปู่มั่นท่านกัปุบเพนิวาสานุสติญาณจะทำยังไงจึงจะได้ปุบเพนิวะพระพุทธเจ้าท่านนั่งสมาธิ ใช่พวกเราเห็นไหมอย่างหลวงปู่ที่พระพุทธลูกนั่งหลวงปู่เสาหลวงตามหาบัวหลวงปูม่ม่นนั่งนั่งคัดสมาธิอย่างนี้แหละขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าออกจากนั้นพอจิตใจหรือพระไทยขององค์ท่านมีความสงบนิ่งพอจิตใจสงบนิ่งเกิดความรู้พิเศษ เกิดย า, านรัศนะเกิดฌานระหว่างฌานนะเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาพระองค์ละลึกชาติหขนหลังได้ปุเพนิวาสานุจติยานล้ำลึกชาติ์ขนหลังได้ชาติที่แล้วถูกฆ่ามาจากไหนมาเกิดเนี่ยพระพุทองค์ละลึกขนหลังได้ยาวเจ็ดแต่สเไอไม่ใช่ว่าชาติเดียวนะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชาตินะ อ, อย่างพวกเราเดินทางมาจากกรุงเทพเราผ่านที่ไหนบ้าง ขึ้นมาจากพุทธเถรผ่านปากช่องผ่านโ ค, โคลาดผ่านเมืองพลน่านจนถึงมาถึงขอนแก่นมาถึงอุดรมันผ่านหลายกี่หัวเมืองนี้ก็เหมือนกันพราะพระ เ, เจ้าเกิดมาเกิดมาพบนั้นชาตินั้นเป็นลิ้ยงเป็นข้างบางชนีเป็น เ, เทวบุตรเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นมนุษย์คนตุกทุกใหญ่อยากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพระองค์ผ่านมาหมดเลยเพราะฉะนั้น ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนะทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเนี่ยนี่ว่าปุเพนิวะสานุสติยานระลึกชาติผนหลังได้พระองค์มาจากไหนมาเกิดจากนั้นมองคนอื่นจุดตูปปาตยานพอถึงเที่ยงคืนมองคนอื่นนะจุดตูปปาปาตยานการจุติและการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทำไมมาเกิดแล้วไม่เหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันทําไมไม่เหมือนกันขี้ไล่ขี้เล หน้าต า, เ, าเสร็จสวยงดงามมั่งมีสีสุขมีติมีปัญญาบางคนกับบ้าใบเสียจิตผิดอยากมนุษย์ทั้งหลายก็มีทําไมเกิดมาเป็นมนุษย์จึงไม่เหมือนกันพระองค์ก็มองดูอีกทีนะมองดูพระองค์เสร็จแล้วก็มองดูสรรพสัตว์แต่ละคนไม่เหมือนกันไม่พราอไม่กันเพราะอะไรทําไมจึงไม่เหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันพระองค์ก็มองไปแล้วว่าการกระทํากรรมคือการกระทํา ถ้าคนทํากรรมดีกรรมดีจะให้ผล เ, เกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็จะเป็นคนดีมั่งมีสิ้สุกร่ํารวยปรารถนาสิ่งใด <c oughs> สมความมุ่งมา่นปรารถนาเพราะเอะไรเพราะบุญนำนำไปนะถ้าใครทรรํากรรมชั่วกรรมชั่วเกิดมาพบหน้าใครโหนกตาบอดบ้าใบหาเงินคําทรัพย์สมบัติกระทุกยากลําบากเพราหละไเพราะกรรมเป็นผู้จําแนกให้สรรพสัตว์ อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาพบในชาติในภพกระเถอะนะพวกเราเห็นการกระทำไม่เหมือนกันการกระทำไม่เหมือนกันการพูดไม่เหมือนกันเพราะการคิดไม่เหมือนกันเมื่อการคิดไม่เหมือนกันการกระทำออกมาก็ไม่เหมือนกันการพูดออกมาก็ไม่เหมือนกันในเมื่อการคิดการทำการกับพูดออกมาไม่เหมือนกันนั่นะกรรมจาแนกจานั่นะถ้า่าใครคิดไม่ดี greatest, คิดโลภอยากจะได้ของเขา คิดพยาบาทปลองไล่เขาเห็นผิดจากทํานองคลองทำอันนี้คือคิดผิดนะการทําผิดคืออะไรฆ่าคนอื่นเขาขาโมยคนอื่นเขาลาลาปล่วงในสามีภรรยาคนอื่นเขาโกหกเขาเดื่มสุราขาดสติอันนี้คือการกระทํา ม, มโนโกายกรรมวจีกรรมคืออะไรพูดเท็จพูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อพูดยุยง ให้เขาแตกกันสำ้ำแตกแยกมัคคีกันพูดใครข้าว่าโกงคตโกงเขาแปลว่าอยัางไงที่จะให้ได้เปรียบได้ประโยชน์ในการพูดคนตัวเองอันนี้เปลว่ามโนกรรมวจีกรรมเพราะั้การทำกรรมทำได้สมทางในหลักของพุทธศาสนาอพอถึงจวนสว่างพระองค์ได้ตดรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณการเวียนว่ายตายเกิดเพราะอะไรเพราะกิเลส ราคะโทสะโมหะพาหมุนเวียนเวียนไหวตายเกิดพระองค์ก็ชำระกิเลสภายในใจเป็นผู้บริสุทธ์นะนี่แหละอันนี้ผลวงพ่อพูดสรุปให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังหลักของพุทธศาสนาเนี่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกถ้าว่าใครทำกรรมอันไหนไว้กรรมนั้นจะตามสนองออในหลักธรรมความสอนของพุท ธ, ธพระพุทธเจา้าวอากตังลุกตังเสยโย ปัจฉาตปฏิดุ ก, กตังกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังบางคนเกิดมาแล้วก็เอเอ๊จะฆ่าใครจะขโมยใครทําสิ่งไหนเท็มมันไม่ดีเขาไม่เห็นเราหรอกอพอเขาเห็นเข้าทึนี้พอเขารู้เข้าว่ามันเป็นยังไงอันนี้เพราะอะไรพราะที่สูนกฎหมายเข้ามาพูดะ น, น, นี่แหละ ตัวเองเดือดร้อนลยเถอะเนี่เข้าคุกเข้าตารางเมื่อแก่ก็มีต่างเยอะแยะไปเพราะอะไรเพราะตัวเองไปทํากรรมชั่วเอาไว้เพราะนั้นกรรมชั่วอย่าทํำเฉลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาติโรมพุทธบริษัทลูกหลานทุกคนนะประกอบคุณงามความดีสงังสมบูรณ์กุศลเอาไว้ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว นรกสวรรค์มีจริงบาปปูนคุณโทษมีจริงถ้าทําดีแล้วจะชั่วได้ยังไงถ้าทําชั่วแล้วจะดีได้ยังไงนะขอให้พวกเราทําแต่ความดีนะมีแต่ความสุขความจเจริญถ้าทําคิดดีทดําดีพูดดีแล้วนะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะอนุโมทนาให้พรเพรพวกเราจะเดินทางไกลก็มีนะหลวงพ่อจะไม่พูดมา ก, กว่านี้พูดให้ฟังเป็นแนวความคิดให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะ <c oughs> ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะให้พรนะอุทิศส่วนกุศลหน้าพวกเราทุกท่านหน้า